เป็นเรื่องของธรรมชาติศาสนาพุทธคือศาสนาธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมะธรรมะอันเป็นธรรมชาติไม่ได้สังกัดในลัทธิในศาสนาใดๆทั้งสิ้นจะมีการสังกัดก็เฉพาะระเบียบวิธีการ ระเบียบและวิธีการของพระพุทธศาสนาหลักการปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยศีลดังนั้นจึงมีธรรมเนียมไม่ว่าเราจะทำบุญสุนทานอะไรจะฟังเทศหรืออะไรทั้งนั้นก็ต้องมีการสมาทานศีล <c oughs> แต่สำหรับสังคมนี้ไม่ได้ทำเช่นนั้นบางท่านอาจจะข้องใจว่าไปฟังเทศบางแห่งยังได้สมาทานศีลแต่มาที่สังคมนี้ทำไมไม่มีพิธีการสมาทานศีลแต่ความจริงศีลของเรามีอยู่แล้ว เรานั่งอยู่นิ่งๆกายก็ปกติเราไม่พูดไม่จาวาจาก็ปกติใจคอยสำรวมตั้งใจฟังใจก็เป็นปกติในเมื่อกายวาจาและใจเป็นปกติเราก็มีศีลพร้อมอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องสมาทาน การสมาทานในรับศีลจากพระเป็นแต่เพียงวิธีการเมื่อเราตั้งใจจะงดเว้นจากโทษนั้นๆสมมติว่าเราจะงดเว้นจากโทษท่าข้อเวลานี้เราก็ได้ตั้งใจงดเว้นแล้วเราก็มีศีลโดยเจตนาคือความตั้งใจทีนี้เมื่อเรามีศีลโดยเจตนาคือความตั้งใจ เราได้เรียนแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพู้มีศีลพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราไม่ฆ่าเราก็มีศีลข้อปานาติบาตพระพุทธเจ้าลักขโมยไม่เป็นข้อโกงไม่เป็นเราก็มีศีลข้ออธินาทาน พระพุทธเจา้าไม่ไปเที่ยวขมเหงน้ำใจใครคือไม่ละเมิดล่วงเกินสิทธิประเวณีของใครเราก็งดเว้นเราก็มีศีลข้อตาเมสุมิจฉาจารเราเรียนแบบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าโกหกหลอกลวงพูดคำหยาบเพ้อเจ้อเหลียวไหล พูสอเสียดยุยงให้ใครแตกสามคขีกันไม่เป็นเราก็ทำอย่างนั้นไม่เป็นเราก็ได้มีศีลข้อมุสาวาทเราพพุทธเจ้าไม่มัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนเห็นเมาในการเรื่องอบายยมุกซึ่งเป็นปากแข่งความเสื่อม เราก็งดเว้นแล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เรียนแบบพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลข้อนี้ดังนั้นผู้ใดมาปฏิบัติเพื่อเรียนแบบเรียนแบบพระพุทธเจ้าศีลห้าประการนี้เป็นกฎเกณฑ์แห่งการละบาปความทั่วในเมื่อใครละบาปความทั่วห้าข้อนี้ได้ ได้คือว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาธารชีพึ่งที่ระลึกบางทีเราปรเจ ญ, ญาณตนว่าพุทธังสรดังพัชามิข้าปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาธารชีพึ่งที่ระลึกแต่บางทีพอลุกออกไปแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามก็คล้ายๆกับว่าเราสมาทานศีลเพียงแค่ประเพณีเท่านั้น เราจะด้านความเป็นผู้มีศีลเราจะสมท า, านกับพระก็ได้ตั้งเจ ต, ตนางดเว้นเอาเองก็ได้เมื่อต่างใจจะประพฤติความดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นผู้มีศีลแล้วผู้มีศีลได้จะว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึง่งที่ระลึกในเบื้องต้นในะอีกอย่างหนึ่ง เราตั้งใจจะละบาปแผนของการละบาปที่แท้จริงก็คือศีลห้าข้อถ้าใครตั้งใจละเว้นตามกฎของศีลห้าข้อได้ชื่ว่าเป็นผู้ละบาปโดยสมบูรณ์การละบาปห้าข้อนี้เป็นการตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมเป็นการบัรฑทอนกำลังของกิเลสที่มีอยู่ในใจ โลกโปรดหลงมีอยู่ในใจกันทุกคนในเมื่อโลกโปรดหลงมันเกิดขึ้นมันบงการให้ข่าให้ดา่าให้ตีในเมื่อเราไม่รู้อํานาจของมันนาคดาข้าวมันก็ค่อยอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงทีนี้เราตั้งใจงดเว้นตั้งใจเป็นผู้มีศีลแม้ศีลของเราจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีโดยเจตนาก็ตาม แต่เราค่อยๆฝึกขัดค่อยอดค่อยทนค่อยงดค่อยเว้นจนเป็นนิสัยเคยชินเมื่อมีนิสัยเคยชินนิสัยอันนี้มันฝังลึกลงไปในส่วนลึกของติดเราจะเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามเราเป็นผู้มีศีลอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอุปนิสัย ในโอปปิสัยแห่งความเป็นผู้มีสีนี้ในเมื่อมันเพิ่มพลังแก่กล้าขึ้นมันจะกลายเป็นบารมีซึ่งเรียกว่าศีลบารมีต้องอาศัยการฝึกอบรมความอดความทนเป็นที่ต่ำคนเราตั้งใจจะละความทั่วละความบาปทั้งหลายละได้ทุกคนถ้าตั้งใจเอาจริง แต่มันยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะไม่เอาจริงกันเท่านั้นเอง <c oughs> เอาลับัติท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วบัดนี้เรามาตั้งใจเรามาเรามาพูดถึงเรื่องการบาเพ็ญสมาธิภาวนาก่อนอื่นขอยืนยันว่าท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ หรือเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเราได้เรียนสมาธิกันมาแล้วได้ปฏิบัติสมาธิกันมาแล้วทั้งนั้นแต่บางทีเราอาจจะไปหลงเชื่อคำบอกเล่าของคนบางคนว่าเรายังไม่ได้ทำสมาธิอาตจจมาจะขอให้ ไปเคดหาขอให้เรื่องไปเคดเป็นการบ้านถ้าเราไม่มีสมาธิเรียนจบประดิญยามาได้อย่างไรไม่มีสมาธิเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ได้อย่างไรเมื่อไม่มีสมาธิทำงานใหญ่โตได้อย่างไรไม่มีสมาธิวิจัยงานละเอียดได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในคณ ะ, ะวิทยาศาสตร์นี่เป็นงานที่ละเอียดริ่งนักลว้วนแต่อาศัยกำลังของสมาธิทั้งนั้นจึงจะวิจัยวิจารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัตถุออกมาเป็นผลงานได้ขณะใดที่เราตั้งใจวิจัยงานของเราอยู่นั้นเราใช้สติใช้ปัญญาอย่างละเอียดใช้ความพิเนตวิเคราะห์ ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่นั่นเราได้ปฏิบัติสมาธิแล้วและผลงานที่เราวิจัยเป็นผลออกมาได้ข้อมูลต่างๆนั้นเป็นผลซึ่งเกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นจึงกล้ายืนยันได้ว่าท่านทั้งหลายได้ทำสมาธิกันมาแล้ว แต่สมาธิที่ท่านทำมาแล้วนั้นมันเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อสาธาณะเพราะยังไม่ได้มีข้อปฏิบัติที่ควรที่จะพึงงดเว้นเมื่อท่านมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีมันจะเสริมสมาธิที่ท่านทำอยู่นั้นให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง เรื่องการปฏิบัติสมาธิโดยตรงอาตมาจะขอเล่าเรื่องอดีตอดีตซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวที่เคยปฏิบัติมาแล้วในสมัยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาพระก็มีการศึกษาเหมือนกันเรียนนักรมตรีโทเอกเรียนเป็นมหาป ร, ริญญาเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันถึงระดับมหาวิทยาลายัย <c oughs> ในครั้งนั้นยังเป็นสามเณรอยู่แล้วใจก็อยากจะเรียนหนังสือบ้างอยากจะปฏิบัติกรรมาฐานบ้างที่นี่มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเดนถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนจะปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติทั้งเรียนทั้งปฏิบัติจับปลาสองมือมันไม่สำเร็จหรอกที่นี่พอเสร็จแล้ว อาตจจมาก็ไปนค้นตำลาตำราการปฏิบัติกรรมฐานไปพอบพคอพัปฏิบัติจุบทหนึ่งคือการเพ่งกรสินทีนี้พอมาถูกคิดขึ้นมาว่าถ้าเราไปอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเรามีทางจะปฏิบัติสมาธิกรรมฐานได้ไหมก็มาได้ความคิดว่า เราจะเอาตัวครูของเรานั่นแหละเป็นเป้าหมายของการเพ่งกสิทิพออาจารย์ผู้สอนเข้าไปนั่งหน้าห้องก็สัมรวมจิตสัมรวมใจส่งกระแสะความรู้สึกไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์สายตาก็เพ่งที่ตัวอาจารย์ไม่ลดละ เมื่อเราแพ่งอยู่ที่ตัวอาจารย์ความรู้สึกไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์อาจารย์ทำอะไรเราก็รู้มดท่านยกมือเราก็รู้เอามือลงเราก็รู้เขียนหนังสือให้ดูเราก็รู้อธิบายอะไรให้ฟังเราก็เข้าใจเพราะเราสนใจในตัวอาจารย์ทีนี้พอฝึกหนักๆเข้าฝึกต่อเนื่องกันประมาณเจ็วัน พอเสร็จแล้วเผอก็โดนอาจารย์ตะวาันท่านตะวาันว่าเธอจะมามองฉันทำไมนักหนาก็เลยเรียนท่านว่าผมทำสมาธิโดยเอาตัวอาจารย์เป็นอารมณ์จิตเออถ้าหากว่าเธอเรียนสมาธิก็เชิญตามสบายอย่าแห่งชั้นแหลกละเอียดเป็นจุนวิจุนไปก็เชิญอาจารย์ท่านบอกอย่างนี้ ในนี้ตอน ต, อนตอน้นๆในรู้สึกว่าสายตาและความรู้สึกไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์ไม่ย้อนส่งไปไหนทีนี้หนักๆเข้าความรู้สึกนั้นกลับย้อนมารวมอยู่ที่ตัวของตัวเองมาเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตในเมื่อความรู้สึกย้อนมาเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตความแปลกมันก็บำเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไร เพื่อในขณะที่อาจารย์ท่านอธิบายอะไรให้ฟังพอท่านพูดจบลงปับ๊บเกจของเรานี่คาดทะเน่ร่วงหน้าได้ว่าต่อไปเขาจะพูดอะไรแล้วมันเป็นอย่างนั้นทุกๆตลอดเวลาตลอดชั่วโมงที่เราตั้งที่อยู่ในห้องเรียนพออาจารย์พูดจบประโยคนี้ปับ๊บต่อไปมันรู้แล้วว่าอาจารย์จะพูดอะไร ทีนี้เวลาไปสอบก็อ่านคำถามจบเด็มันก็วูบวาไปขัดตอบมันก็ผวดขึ้นผุดขึ้ น, นแล้วก็เขียนเอาเขียนเอาเวลาจะไปสอบจริงๆก็นั่งสมาธิคิดทบทวนหาบทเรียนว่าพรุ่งนี้เขาจะออกอะไรมาเป็นข้อสอบนั่นก็ไปรู้ล่วงหน้าทีนี้เสร็จแล้วที่มันรู้ขึ้นมานั้นพอไปเข้าห้องเรียนจริงๆก็ออกมาจริงๆ เขาสอบมหากันเขาสอบประโยคแปลแปลโดยพยัญชนะแปลโดยอัดแล้วก็มีสัมพันธ์มีบาลีไวยากรณ์แล้วก็มีการเขียนตามคำบอกรวมทั้งหมดสี่วิชาทีนี้เสร็จแล้วสี่วิชาเนี่ยเรารู้ลวงหน้าหมด ทีนี้มา่อรู้แล้วก็ไปสอบไปซ่อมจนคล่องตัวจนจะจําได้จิดปากพอไปเข้าห้องสอบก็ไปเขียนเอาเขียนเอาเขียนเอาจนได้โพดตลกตลกกับลูกศิษย์ทุกวันนี้ว่าผมนี่เป็นมหาเพราะฝัดคือว่ามันฝันไปว่าเขาจะออกที่ตรงนั้นตรงนี้อันนี้ท่านที่กําลังเป็นนักศึกษาอยู่ลองจดจําเอาไปปฏิบัติตู พออาจารย์เดินเข้ามาหน้าห้องเพ่งสายตาส่งความรู้สึกไปที่ตัวอาจารย์อย่าเอาใจไปอื่นอย่าเอาสายตาไปอื่นเมื่ออาจารย์สอนอะไรเราตั้งใจฟังตั้งใจกำหนดรู้ตามมันจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรอยู่ให้อยู่ในความสนใจของเราตลอดเวลาแล้วเราจะได้สมาธิได้สติปัญญาส น, สนับสนุนการศึกษา สมาธิอันนี้เราจะนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเรียนจบไปแล้วไปทำงานทำการเราสามารถที่จะนำสมาธิอันนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นหลักการของการปฏิบัติสมาธิเนี่เราจึงแบ่งได้เป็นสองหลักหลักสาธารณะทั่วไปสารกสาธารณะทั่วไปเนี่ย เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจโดยเรายึดเอาการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตให้ฝึกสติรู้อยู่กับเรื่องปัจจุบันโดยเฉพาะเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเพราะว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะจิตเป็นผู้สัง่ง หลักธรรมะบอกว่ามโนปุพังขามาธรรมามโนเสรษามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้ถึงก่อนสำเร็จแล้วแต่ใจดังนั้นสิ่งใดที่ใจมันคิดว่าจะทำคิดว่าจะเดินมีสติรู้คิดว่าจะนั่งมีสติรู้คิดว่าจะนอนมีสติรู้ คิดว่าจะเดินมีสติรู้ทเดื่มทมพูดคิดอะไรต่างๆมีสติรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราวิจัยงานวิจัยการอะไรต่างๆให้นึกว่าเวลานี้เรากำลังพิจารณากรมมัฏฐานเราเขียนหนังสือเราก็นึกว่าเวลานี้เรากำลังปฏิบัติสมมรฏฐาน ไม่ว่าเราจะทําอะไรทั้งนั้นให้มีสติอย่างเดียวอันนี้เป็นบทการฝึกสมาธิโดยสาธารณะทั่วไปไม่เลือกการไม่เลือกเวลาและไม่มีอุปสรรคอันใดที่จะมาขัดข้องอย่างสมมติว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักธุรกิจเป็นนักทํางานบางทีบางท่านบ้านอาจจะอยู่ไกลที่ทํางาน บางเอิญวันไหนนอนตื่นสายอยากจะนั่งสมาธิก็เป็นห่วงเวลาทำงานจะไปทำงานก็เสียดายอยากนั่งสมาธิระหว่างสมาธิกับการทำงานของเรามันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคขัดคอกันทีนี้ในฐานะที่เราเป็นชนท่านปัญญาชนเรามาช่วยกันคิดหาวิธีการทำสมาธิโดยไม่มีอุปสรรคขัดข้อง เยงอยู่บางท่านอาจจะคิดว่าการฝึกสมาธิแบบนี้มันเป็นเรื่องง่ายเกินไปแต่ความจริงอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทีเดียวแต่ว่าถ้าเราฝึกได้แล้วมันจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเราไปนั่งหลับตาภาวนาพุโทโธหรือนามัคคัพตาปเดียวเดียวก็เห็นนรกเห็นสวรรค์ขึ้นมาได้บางทีไม่ถึงทั่วโมง แต่ว่าการทำแบบนั้นก็เป็นเรื่องของสมาธิแม้ว่าเราจะปฏิบัติโดยวิธีอื่นจิตสงบมากมายสักดพันใดก็ตามอย่างบางทีสมัยก่อนเนี่ยสมณะเนี่เคยนั่งสมาธิจิตสงบตั้งแต่เที่ยงคืนจนกระทั่งถึงสองโมงเช้า ทีนี้พอเสร็จแล้วมันก็ยังแก้ไขปัญหาด้านจิตใจยังไม่ได้เจ็บไปสงบนิ่งมันเป็นฐานที่สร้างพลังงานไปอัดพลังงานเอาไว้แต่มันยังไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้จักอุบายแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้แต่การสร้างพลังงานทางติดเท่านั้นเรอาศัยความสงบเช่นนั้น เวลาออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วพออารมณ์อันใดมากระทบถ้าหลังอยู่มันก็อยู่ถ้าหลังไม่อยู่แล้วมันจะไปอย่างไรงบางทีโมโหขึ้นมาทะเลาะกับเพื่อนูงเนี่ยฝ่าไม้กระดานกะติเนี่ยฟัดทีเดียวพังเป็นแถบๆไม่ทราบว่ามันเอาพลังงานมาจากไหนเวลามันฟงมันฟงใหญ่ แต่ถ้ายับจังไว้ได้มันก็ดีไปแต่ถ้าเอาไว้ไม่ได้มันไปแรงไปแรงจนกระทั่งบ้านเรือนพังเป็นอย่างบางทีเพื่อนเพื่อนเขานั่งสมาธิก <c oughs> ำนดลจิตท่าเดียวไม่ถึงห้านาทีเอาไฟทู ด, ดี <c oughs> ก็ไม่รู้สึกเก็บเพราะจิตมันเข้าสมาธิ่างละเอียด แต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วกระโถนบินเอ้ยการน้าบินเอ้ยเพราะสมาธิคือความสงบนิ่งของจิตนี่มันไม่มีการผ่อนคลายลาเพราะว่าพอนั่งสมาธิจิตสงบแล้วพอจิตถอนจากสมาธิก็รีบออกจากที่นั่งสมาธิทันทีแล้วไม่คอยปล่อยให้จิตมันมีการผ่อนคลาย ดังนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ใดทําสมาธิจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างดีแล้วพอออกจากสมาธิมาจะเพิ่งดีใจให้นั่งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งออกจากที่นั่งสมาธิเมื่อเมื่อเดาถอนจากสมาธิมาแล้วมาเกิดความคิดอันใดขึ้นมาปล่อยให้มันคิดไปเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดไปสักพักหนึ่งจึงค่อยหยุดนั่งสมาธิ อันนี้คือวิธีปฏิบัติทีนี้เมื่อใจสงบบางทีใจสงบนิ่งนิ่งนิ่งเข้าไปสู่จุดสงบสงบถึงขนาดที่บางครั้งร่างกายตัวตนมันหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวส ว, สว่างสวยอยู่เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้ว ท, ทําทีไรมันก็เข้าไปสู่ความสงบอย่างนั้น แต่เมื่อมันสงบหนักนักเข้าภายหลังมันไม่ยอมเข้าไปสู่ความสงบมันมาพล้วเปลี่ยนอยู่กับการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดเทศทุกขณะจิตทุกลมหายใจบางทีรู้สึกรำคาญเหนือกว่าภฟมเจิตของตัวเองเสื่อมแล้วมัวแต่จะไปบังคับให้มันเข้าไปสู่ความสงบนิ่งอย่างเดิมพอเกิดมีการบังคับมันก็ยิ่งด่นรนใหญ่ ลองผลสุดท้ายในเมื่อหมดความสามารถที่จะบังคับให้มันหยุดนี่ภายหลังก็มาลองปล่อยดูเอา้าอยาจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกปล่อยให้มันคิดไปคิดไปคิดไปกําหนดสติตามรู้รู้รูู้้รูไปนักนักเข้ามารู้สึกเพลิดเพลินกับความคิดพอคิดไปคิดไปปีติมันบังเกิดขึ้นความสุขมันก็เกิดขึ้น แล้วจิตมันก็ไปจดต้องอยู่กับอารมณ์จิตที่เกิดจับอยู่ภายในจิตตลอดเวลาลงผลสุดท้ายพอคิดไปสุดท่วงมันหยุดคิดเข้าไปสู่ความสงบนิ่งร่างกายหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นสว่างไสวยอยู่จึงมาจัดแคลดบันไดว่าอ๋อนี่หลักทางเดินของมันอยู่ที่ตรงนี้ เราจ ะ, ะนั้นผู้ที่ทำใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วภายหลังเราอาจจะเกิดความคิดมากขึ้นมาควรจะได้ปล่อยให้มันคิดไปบ้างแต่ให้มีสติตามดูไปมันจะคิดอะไรไปเหนือภายใต้ก็ปล่อยให้มันคิดไปเลยแต่ว่ามีสติตามดูไป ในเมื่อปล่อยให้มันคิดไปอย่างนั้นสติกำหนดตามรู้ไปแล้วมันก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจดต้องอยู่กับอารมณ์จิตที่เกิดกับทุกขณะจิตจึงไม่ได้ความรู้ตามหลักวิชาขึ้นมาว่าตัวที่จิตมันคิดไม่หยุดนั่นคือวิตกสติที่รู้พร้อมอยู่นั่นคือตัววิจาร แล้วเมื่อจิตไม่พิตกวิจารปีติและความสุขมันก็บังเกิดขึ้นได้แล้วความเป็นหนึ่งคือจิตกําหนดรู้อารมณ์จิตอยู่เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็เรียกว่าความเป็นหนึ่งเมื่อมันเทลไปสุดท่วงมันแล้วมันหยุดเคตมันก็เข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกับที่เราพอนนิกับภาวนามา อันนี้คือความเป็นจริงเป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติทั้งหลายท่านผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติก็คือว่าเอาแล้วสำหรับผู้ที่ตั้งต้นจะปฏิบัติใหม่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหลักการเราอาจจะยึดคาพูดคำใดคาหนึ่งมาท่องไว้ในใจเช่นพุดโธเป็นต้น หรือจะท่องพูดโธ่พูดร้อมกับลมเข้าโทรพร้อมกับลมออกเราอาจจะยึดคำพูดคำใดคำหนึ่งมาท่องไว้ในใจเช่นพูดโธเป็นต้นหรือจะท่องพูดโธพูดร้อมกับลมเข้าโทรพร้อมกับลมออกนี่หลักปฏิบัติเบื้องต้นอยู่ที่ตรงนี้ในขณะที่เราปฏิบัตินั้น หน้าที่ของเรากำหนดรู้ลมหายใจกับนึกพุโทโธไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอย่างอื่นอย่าไปให้มีอาการข่มจิตบังคับจิตให้สงบแต่เราประครับประคองจิตให้นึกอยู่ที่พุโทโธกับรู้ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกความสงบหรือไม่สงบให้เป็นหน้าที่ของจิต แต่หน้าที่การประคองติดให้อยู่กับอารมณ์เป็นหน้าที่ของเราเมื่อเราประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์บางทีลมหายใจอาจจะเร็วขึ้นหรือปรากฏว่าลมหายใจมันแรงขึ้นที่ขึ้นเรากำหนดรู้ติดของเราอยู่เฉยเฉยอย่าไปตื่นใจอย่าไปเอกใจ มันจะเป็นอย่างไรปล่อยให้มันเป็นไปบางทีลมหายใจอาจจะแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงโอ้พรดาจะรู้สึกตกใจว่าใจมันจะขาดเดี๋ยวจะไม่มีการหายใจความที่ลมหายใจมันแรงขึ้นหรือถี่ขึ้นเป็นกิริยาที่จิตเอาใจใส่ต่อลมหายใจ ความที่จิตแผ่วลงความความที่ลมหายใจเบาลงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเป็นอาการที่จิตค่อยสงบลงไปจิตละน้อยละน้อยละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดอารมณ์ก็ละเอียดหนักหนักเข้าลมหายใจแผ่วลงแผ่วลงจนกรทั่งรู้สึกว่าไม่หายใจ เมื่อไม่หายใจจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆร่างกายค่อยจางไปจางไปในที่สุดลมหายใจหายขาดไปร่างกายก็หายไปด้วยยังเหลือแต่จิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยอยู่ร่างกายตัวตนหายไปหมดแล้วในวิธีทางความเป็นไปของสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทีนในขณะที่เรากําลังนึกบริกรรมภาวนาโพโทโพโตเป็นต้นหรืออะไรก็ได้ที่ท่านนึกเอายึดเอามาเป็นอารมณ์จิตยบหนอคองหนอสัมมารหังโพโตสวากขาโตหรือมรณงอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมานึกซ้ํา้ำซๆำซ้ำอยู่ในจิตของท่านในขณะที่เจิตมันนึกซ้ำซ้ำซ้นึกอยู่นั่นปล่อยให้มันนึกไปแต่ถ้าเาว่าจิต มันปล่อยวางทิ้งความที่มันนึกอยู่นั้นไปคิดอย่างอื่นขึ้นมา <c oughs> มันเกิดความคิดของมันขึ้นมาเองแล้วปล่อยให้มันคิดไปเหมือนกันแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปทำบริกรรมภาวนาที่เราตั้งใจเลิกอยู่เป็นสิ่งที่เราหาอารมณ์มาพ้อนให้จิตเราจะต้องทางานถึงสองอย่างพร้อมกันไป คอหนึ่งหาอารมณ์มาป้อนให้จิตประการที่สองปีติควบคุมจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนานั้นเราทำงานสองอย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าว่าเด็ิเชิงอารมณ์ที่เรามาป้อนให้เขาเข้าไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาสุดแท้แต่เขาจะคิดเรื่องอะไร เราปล่อยให้เขาคิดไปหน้าที่เหลืออยู่อย่างเดียวคือให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเท่านั้นในเมื่อเราตามรู้ความคิดไปเขาจะคิดไปแบบไห น, นอย่างไรก็ตามคิดเรื่องบาปเรื่องบนเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องโรคเรื่องธรรมปล่อยให้คิดไปเลยใจก็หายไปด้วยยังเหลือแต่ใ จ, จนิง่งรู้ตือนเบิกบานสว่างสวัยอยู่ร่างกายตัวตนหายไปหมดแล้ว ในวิถีทางความเป็นไปของสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ทีนี้ในขณะที่เรากําลังนึกบริกรรมภาวนาโพโทโพโตเป็นตน้นหรืออะไรก็ได้ที่ท่านนึกเอายึดเอ า, เอามาเป็นอารมณ์จิตยกหนอคองหนอสัมมาระหังพโพโตสวาขาโตหรือมรณังอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมานึกซ้ํา้ำซ้ำซ้ำ ซ, ำ ซ, ำซำอยู่ในจิตของท่าน ในขณะที่จิตมันนึกซ้ำซ้ำซ้ำนึกอยู่นั่นปล่อยให้มันนึกไปแต่ถ้าาว่าจิตมันปล่อยวางทิ้งคำที่มันนึกอยู่นั่นไปคิดอย่างอื่นขึ้นมา <c oughs> มันเกิดความคิดของมันขึ้นมาเองแล้วปล่อยให้มันคิดไปเหมือนกันแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไป คำบริกรรมภาวนาที่เราตั้งใจเทิกอยู่เป็นสิ่งที่เราหาอารมณ์มาป้อนให้จิตเราจะต้องทำงานถึงสองอย่างพร้อมกันไปคือหนึ่งหาอารมณ์มาป้อนให้จิตประการที่สองสีติควบคุมจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนานั้นเราทำงานสองอย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าว่า เด็กเท่งอารมณ์ที่เรามาป้อนให้เขาเข้าไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาสวดแท้แต่เขาจะคิดเรื่องอะไรเราปล่อยให้เขาคิดไปหน้าที่เหลืออยู่อย่างเดียวคือให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเท่านั้นในเมื่อเราตามรู้ความคิดไปเขาจะคิดไปแบบไหนอย่างไรก็ตามคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมปล่อยให้คิดไปเลยไม่ต้องไปทำ แต่ให้มีสติกำหนดตามโลโลโลโลโลโ ล, ลไปพอไปสุดช่วงเขาหยุดคิดพั๊บจิตจะสงบเร่งสว่างมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นอันนี้ลองลองไปทําดูแต่เราจะได้ยินว่าเมื่อบริกรรมภาวนาพู้โธเป็นต้นอยู่ถ้าจิตเที่ยงพู้โตพักให้ดึงมาหาพูโ้โตจิตเมื่อจิตเที้ยงพู้โธไปคิดอย่างอื่นให้ดึงมาหาพูโ้โตจิต ทนี้อันนี้เราไม่ต้องในงเมื่อจิตยิ่งพูโตปับ๊บถ้าจิตว่างอยู่เฉยๆปล่อยให้ว่างอยู่ไม่ต้องนึกอะไรแต่ถ้าจิตเกิดมีความคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้คือว่าให้รู้อยู่ในทีถ้าพอจิตคิด ข, ขึ้นมาปับ๊บเราตั้งใจกำหนดดู้ปับ๊บเขาจะหยุดนิ่งทันทีทีนี้เมื่อเขาหยุดนิ่งเราก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้นพอเขาคิดขึ้นมา รู้ทันทีพอว่างรู้ว่างพอคิดรู้คิดว่างรู้ว่างคิดรู้คิดสลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งรู้สึกว่าตัวคิดก็คิดไม่หยุดตัวตามรู้คือสติก็ตามจดต้องกันไปไม่ลดละบางทีในทำนองนี้ตัวคิดก็คิดไปตัวตามรู้ก็รู้ไปบางทีอาจจะมีอีกตัวหนึ่งมานสงบติ้งอยู่ภายในตัวในร่างกายของเรา มันกลายเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ให้หยุดอีกมิติหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมอีกมิติหนึ่งมานิ่งอยู่ภายในใจกลางตัวอันนี้เป็นไปได้ไหมได้หรือไม่ได้ก็รับฟังเอาไ้แต่เมื่อท่านปฏิบัติไปปฏิบัติไปจะรู้เองการปฏิบัติธรรมะนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเช่นเดียวกันกับโฟกันวิจัย งานเกี่ยวกับเรื่องวัตถุนั่นแหละในเมื่อผสมแล่ธาตเจมีต่างๆมันสมดุลกันขึ้นมามันจะแสดงปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเจ็บกับกายของเรากับอารมณ์ของเราเนี่ในเมื่อมันสัมผัสกันหนักๆเข้าเมื่อมันได้ที่มันมันก็จะแสดงปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเองซึ่งมันเป็นผลงานดังนั้นในขณะที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่นี่จึงไม่จําเป็น ที่จะต้องไปบังคับจิตให้หยุดนี่และไม่จําเป็นที่จะต้องไปบังคับจิตให้เกิดความรู้หน้าจิตของเราเพียงแต่ว่าทําจิตให้มีสิ่งรู้ทําสติให้มีสิ่งระลึกและเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกคขนงานมันจะเกิดขึ้นมาเอง ถ้าหากว่าอาการของสมาธิที่ใจสงบผู้ว่าสว่างดังที่กล่าวยังไม่เกิดขึ้นเราจะได้พลังงานทางติตแต่เมื่อเราฝึกอบรมไปบ่อยๆจนคล่องตัวจำานี้ยจำนานในบางครั้งจิตของเราจะสงบผู้วาลงไปแล้วสว่างขึ้นมาบางทีพอสงบปั๊บแล้วความเจ็บมันจะเกิดพุ่งพุ่งพุ่พุ่งพุ่ ง, ง, ง, งขึ้นมา อย่างพวกท่านทั้งหลายมีเป็นนักวิชาการเป็นนักเรียนที่มีไอ้มีความรู้มากบักเนี่ยกอจิตสงบภาพลงไปมันจะไปนค้นคิดอยู่ในหลักวิชาการหรืงองานในหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ไ่นแหละมันไม่ไปที่อื่นแต่นักปฏิบัติทั้งหลายหาว่าจิตของเราคิดออกไปนอกรูนอกทางแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะมันอาศัยความคล่องตัวอยู่ในทางใดมันจะวิ่งไปในทางนั้นอย่างสมมติว่าเจตจบแล้วมันมาวิจัยงานทางวิทยาศาสตร์อยู่งานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอารมณ์จิตที่วิจัยอยู่ด้านไชธรรมะหรือไม่ในเมื่อเจตไปวิจัยอยู่กับงานวิทยาศาสตร์มันจะไม่ออกนอกกลุ่นอกคลังหรืออันนี้ต้องทําความเข้าใจ ในกายของเรานี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตามีหน้าที่ดูหูมีหน้าที่ฟังลิ้นมีหน้าที่รู้รสกายมีหน้าที่สัมผัสใจมีหน้าที่นึกคิดสิ่งใดที่เป็นความคิดสิ่งนั้นคือธรรมมารมณ์เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาการเรื่องวิชาธรรมะเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์รมศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่จิตมันเอามาเป็นอารมณ์จิต หรือว่าเป็นเรื่องของธรรมะเช่นนั้นเป็นธรรมมารมทีนี้ถ้าหากสมมติว่าในขณะที่จิตของเรามันคิดเราปล่อยให้มันคิดไปแต่มันไม่มีความสงบมันจะได้ประโยชน์อะไรอย่าลืมว่าความคิดคืออาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตเมื่อจิตของเรามีความคิดเราปล่อยให้คิดไปแต่มีสติกำหนดตามโูโลโลโลโไป ในเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปัญญาสามารถที่จะกําหนดรูปความคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าความคิดอะไรมันเกิดขัดข้องขึ้นมาเกิดความดีใจเสียใจเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็มองเห็นทุกข์อริยสัจในในี้ลองๆกาหนดดูให้ดีถ้าหากเราจะไปยึดแต่เพียงตาํารา บางทีเราอาจจะมีความสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอตาตมาประเทศที่กรุงเทพเนี่ยมีใครเขาถามบ่อยๆ บ, บางอาจารย์มาสอนยบหนอะพองหนาบางอาจารย์มาสอนสัมมาอารหังบางอาจารย์มาสอนพุทโธแต่ละอาจารย์ก็มีความคิดเห็นขัดแย้งกันเพื่อความเห็นไม่ลงรอยกัน ถ้าท่านจะคิดว่าปัญหานี้เพราะอะไรคำตอบก็คือว่าคนที่ทำสมาธิไม่เป็นมาเจอกันเข้าก็เกิดมีปัญหาขัดคอกันคนหนึ่งทำเป็นอีกคนหนึ่งไม่เป็นมาเจอกันเข้าก็มีปัญหาขัดคอกันถ้าต่างคนต่างเป็นไม่เสียงกันเป็นอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำสมาธิเป็น สมาธินี่ใครทําแบบไหนอย่างไรก็ตามเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นคนละอย่างเป็นคนละตาราภาวนาพโทธยยกนอพองหนอสัมมา阿拉หังเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิลงไปแล้วมีพิตกวิจารปีสีสุกเอกขาตาเหมือนกันหมดทีนี้ถ้าว่าใจละปีตสุสยังเหลือแต่เอกคตากับอุเปกขา จิตมันก็นิ่งว่างสว่างร่างกายตัวตนหายไปหมดเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันหมดอย่าไปข้องใจเพราะงั้นนักปฏิบัติสมาธิเนต้องพิสูจน์ด้วยตนเองหลักเบื้องตน้นบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นตน้นเอาไว้ก่อน ถ้าใครยังไม่เข้าใจวิธีการกำหนดอารมณ์จิตของตนเองก็ท่องพุโทโธพุโทโธเป็นตน้นหรือสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็แล้วแต่ที่ท่านถนัดท่องมรนทุกอิรยาบทเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาท่องได้ตลอดเวลาแม้แต่เข้าห้องน้ำห้องสวมก็ท่องได้ไม่บาก บางท่านบอกว่าไปภาวนาอยู่ในห้องน้ําเดี๋ยวบาปที่กราบจะกินอะไรทารองนี่อย่าไปเข้าใจผิดทำมาเป็นอาการลิโกไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> ให้ทําเข้าความเข้าใจกว้างๆได้กล่าวแล้วว่าเจริญเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อท่านมาฝึกสติให้รู้พร้อมอยู่กับ อารมณ์จิตในปัจจุบันนี้คือการฝึกสมาธิสําคัญตรงเวลาที่ท่านอยู่ว่างๆคนเดียวหรือเวลานอนพอนอนลงไปคนทํางานต้องคิดโน้นคิดนี่แต่คนทั้งหลายถ้าจะราคาญความคิดไม่อยากจะให้มันคิดถือว่าความอยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆเนี่ยมันสบายนลเมื่อ น, นอนลงไปเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้มันคิดไปเลย มันจะคิดไปเหนือไปใต้ปล่อยให้คิดไปจะให้มีสติกำหนดตามรู้เรื่อยไปจนกระทั่งเรานอนหลับถ้าหากว่าเจิตของเรายัางไม่มีพลังพอพอหลับปบลงไปก็นอนหลับมืดธรรมดาแต่ถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไปทุกวันทุกวันพอหลับปบตลงไปเราจะรู้สึกว่านอนไม่หลับข้างคืน บางทีก็ไปรู้สึกตัวอยู่แต่จิตยังไม่สวา่างจีนี้เมื่อเฝึกหนักๆเข้าก็หลับเขาลงไปจิตมันจะสว่างโปร่งขึ้นมาแล้วมีงานการอันใดที่ขัดข้องที่เราแก้ปัญหาไม่ตกมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์แล้วจะไปค้นป้าพิจารณาแก้ไขปัญหาในขณะที่นอนหลับแล้วจะแก้ปัญหานั่นตกไปมันเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไป ในลักษณะอย่างนี้แม้ว่านั่งสมาธิอยู่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมามันก็คือฝันนั่นเองเช่นอย่างคนนั่งสมาธิแล้วใจสมบสว่างส่งกระแสจิตออกไปนอกมันก็มองเห็นรูปภาพต่างๆนั่นก็คือฝันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธิเราเรียกว่านิมิต มันมีวินัยข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าีิสูอวดอุตริมนุษธรรมต้องอบัตอามนุสธรรมที่ไม่มีในตนต้องอาบัติปาราชิกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเนี่อัตมาชอบใช้คำว่าฝันไปฝันในคนธรรมดาสามัญก็ฝันได้ ถ้าเราไปบอกว่าเออนี่เป็นความรู้เป็นญาณเป็นฌานซึ่งเกิดในสมาธิแต่ถ้าบอกว่ามันไม่เป็นจริงเคอไปต้องอาบัตปาราชิกไม่รู้ตัวแต่ใช้คำว่าฝันไปเี่มันป้องกันอาบัตได้ปลอดภัยเพราะคนธรรมดาก็ฝันได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราทำสมาธินี่จะทาด้วยวิธีใดก็ตามให้ระวังอย่างหนึ่ง เมื่อทำสมาธิจิตสว่างกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกบางทีไปเห็นภาคนิมิตต่างๆบางทีก็เห็นพระสงฆ์ที่ทรงจีบอนสวยงามอารามไปเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษแล้วแต่จิตปัญจโกหกเราขึ้นมานี่คือพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเรานี่คือโมกคันลาสารีบุตรมาโปรดเราแล้วเราเผลอไปน้อมเอานิมิต ที่เราฝันขึ้นมานั้นเข้ามาในตัวพอนเม็ดนั้นเข้ามาถึงตัวปับ๊บมันจะกลายเป็นการแตะทับทรงวิญญาณพอเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนาศาสนาพุทธให้เป็นาศาสนาอื่นอย่างไม่รู้สึกตัวเช่นอย่างบางท่านที่เข้าใจจิตทำสมาธิแล้วอมพอเห็นภาพพระโมกขลาเข้ามาก็เอาเอาก็าามาในจิตในใจท่านเป็นพระโมกขลา พระสารีบุตรเข้ามาก็เอ้าท่านเป็นพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเข้ามาเอ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าบางทีเห็นผู้ยิ่งใหญ่พระศิวะพระอะไรออกมาก็เข้าใจว่าท่านผู้วิเศษจะมาช่วยยานช่วยฌานให้เราแก่กล้าขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เข้าใจติดน้อมเอาเข้ามาในตัวก็กลายเป็นการทรงวิญญาณเปลี่ยนศาสนาไม่รู้ตัวก็ะฉะนั้นหลักที่เราจะควรสังเกต การทำสมาธินี่เพื่อทำจิตให้สงบให้รู้ความจริงของกายของใจของเราเองว่าสภาพจิตของเรามีแนวโน้มไปในทางไหนทางเป็นทางบาปหรือทางบุญทางดีหรือทางทั่วทางผิดหรือทางถูกแลเมื่อมันในมีแนวโน้มไปในทางไหนเราจะแก้ไขหรือไม่ถ้าเราจะแก้ไขก็อาศัยหลักภาพระการปือศีลห้างดเว้นตามนันแล้วก็สร้างสมรรถภาพทางจิตให้มีความมั่นคง ให้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาประชุมพร้อมจิ่จิตทำจิตให้เป็นปกติตลอดเวลาแล้วเราจะได้ผลเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติสมาธินี่ทัดรู้สึกว่าปฏิบัติไปแล้วมารู้สึกเบื่องานใช่ไม่ได้ปฏิบัติไปแล้วต้องรักการมีครอบครัวรักครอบครัวยิ่งขึ้นมีเพื่อนมีผงรักเพื่อนผงยิ่งขึ้น แต่ความรักมันจะกลายเป็นความเมตตาปราดีมีความหมั่นขยันในหน้าที่การงานมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาดีจริงขึ้นนด็จึงแก่ตัว่าปฏิบัติสมาธิแล้วได้ผลทีนี้เมื่อปฏิบัติสมาธิแล้วเบื่องานเบื่อการอยากจะลาออกไปบวชนั้นใช่ไม่ได้ยังไม่ถูก ที่ลาย อ, าอยู่ที่ตายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสกหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่ก็ปกติอยู่มัน่ลงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อยโทษไม่ถูกขณะเขียนอยู่นี้ก็ยังยังเป็นอยู่เลย อันนี้เป็นความรู้สึกโดยปกติแล้วความรู้สึกนี่มันเพ่งไปข้างหน้าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแทงแทงเข้าตรงหน้าผากนั่นะเป็นกระแสจิตที่เพ่งตรงออกไปทางหน้าผากมากกนักใช้พลังจิตเพราะว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเหนื อ, อเหนือคิ้วเลื่อนไปหน่อยตรงนี้ตรงกลางตรงแตกหน้าเนี้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 อันนี้มันเกิดอุปาทานที่เราคุงมขึ้นมาอ่าข้อสอไปการกำหนดจิตตามรู้ตามเห็นที่จิตจะกำหนดอย่างไรพระผู้เเจ้าสิ่งที่ควรจะกำหนดตามรู้ตามเห็นเนี่ยเริ่มต้นแต่การยืนเดินนั่งนอนกินเดินทาพูดเราเดินรู้ว่าเราเดินเรายืนรู้ว่าเรายืน เรานอนรู้ว่าเรานอนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเราเราับทานรู้ว่ารับทานจนกระทั่งภ า, ายอุจาระปัสสาวะกําหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมก็ามากําหนดตามรู้ความคิดที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุกแต่ตลอดเวลาทำสติตัวเดียวตามรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดไปนี่คือการกําหนดตามรู้อาการทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็คือการไหวกาย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 ดวงนี้ไม่ประภัดสอนเพราะไม่กิเลสเปรียบประภัดสอนได้ในภาคิต ท, ที่ว่าประภัดสลมีสังทิกเวจิตสังจิตเป็นธรรมชาติประภัดสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิมคำว่าประภัดสอนของจิตในข่านนี้เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะดูสิ่งสกครกคืองสีย้อมได้ เตประทัดสอนหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยโดยที่ยังไม่มีอาจตนะมาเป็นส่วนประกอบแช่นเจตของคนเราเมื่อออกจากสร้งไปมีแต่เจตดวงเดียวยังไม่ถือปัจจิสมที่ก็มีเจตจิตล้วนๆเจตล้วนๆที่ไม่มีอวัยวะประกอบคือยังไม่มีร่างกายมันทําอะไรไม่สําเร็จมีแต่ล่องรอยอยู่เสมอ อ, อยู่เฉย ทีนี้เมื่อทำที่เราได้ทำไว้ในพบนี้ชาตินี้ได้หนุนสงให้จิตดวงที่ไม่มีตัวนั้นได้เกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันยังจะมีความรู้สึกในคิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันเกาะพบเกาะชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประพัดก่อนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสาเร็จอนิพพษน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 เอออันนี้ตอบอยากสักหน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่จะขอเอาคําตอบของท่านเจ้าคนอุบาลีสิริจันโทจันมาตอบท่านเจ้าคนอุบาลีสิริจันโทจันท่านตอบท่านกล่าวคํานี้ไว้ว่าพระอรหันต์พู้สําเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกเพราะขั้นแห่งธรรมมีโลกียธรรมมีโลกุตรธรรม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 โสตวิญญาณคารณวิญญาณเจวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรูทางหูตาจะอานรูทางหูจะโมกเล่นกายแหล่ใจอันนี้เป็นวิญญาณในขันท่าสัญญาเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณสิ่งทั้งห้านี้อาศัยรูปเป็นแดงเปิดเมื่อโลกจังปรากฏจยู่ความรู้สึกมีสัญญาเวทนาสัญญาตังขานวิญญาณ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 โลจับไปปุดไปกิดโลจับไปปฏิสนธิโลจักจุติยังเป็นวิญญาณังอ น, นิจังอยู่เหมือนกันเพราะยังเปลี่ยนภพเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติซึ่งย่มจะเป็นไปตามกฎของกรรมทํากรรมดีไปดีทํากรรมทั่วไปทั่วเช่นอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์พรุน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดา ต่อไปเกิดเป็นกลาอินถ้าถึงคราวสวยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าวิญญาณังอ น, นิจจังคือพบที่เกิดมันยังไม่แน่มีคติไม่แน่เพราะยังมีกิเลสจูมากมายดิฉันเป็นผู้ใกล้ปฏิบัติด้วยใจจริงแต่มีข้องสงสัยในบางประการจึงของกล่าบเรียนพระคุณเจ้าจิตที่เกิดกับ นั่นดิฉันเข้าใจขณะที่กำลังทาง่ขาขณะที่ทำสมาธิอยู่จิตนั้นจิตนั้นเกิดไปคิดเกิดไปคิดเรื่องหนึ่งต้นจะเป็นปุศนหรืออาปุสนก็ตามรู้ถ้ารู้เรื่องหนึ่งหนึ่งจิตของเราก็ตามรู้อย่างนี้เรียกว่าจิตเสอจับใช่ไหม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 มีอารมณ์ไหวง่า ย, าย้ายิ่งคนใจอ่อนอยากเห็นนิมิตง่ายๆแล้วก็พอนั่งบริกรรมภาวนาลงแล้วก็พอจิตรู้สึกสงบเคลื่อนบ้างลงไปส่งกระแสจิตออกไปนอกล้วจะเห็นภาพนิมิตต่างๆแต่ขอบอกว่าการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากจะทำให้จิตของเรามันหลง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 เมื่อเจงสงบปลงไปแล้วเห็นลักษณะใจที่สงบบ้างๆไม่มีอะไรเราออกจะใกล้จะรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมในลักษณะที่เรียกว่าประพัทธลมิทางที่เเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัธธรรทสศรคือจิตตั้งเดิมของเราทีนี้ในเมื่อเจท่านอยู่ว่างๆเป็นธรรมชาติประพัทธศอนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหม